ตอนที่20ิปรินิพาน mm hmm. บัดนี้พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าวันเวลาสำหรับการท่องเที่ยวสั่งสอนสัตว์ในโลกนี้จวนจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ก่อนที่จะเสด็จล่วงลับไปทรงมีพระประสงค์จะประทานคำแนะนำแก่ภิกษุเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากที่พระองค์ไม่สามารถจะอยู่ตักเตือนด้วยพระองค์เองอีกต่อไปจึงทรงตรัสสั่งให้พระอานนท์เรียกประชุมสงฆ์ทั้งปวงณนะที่แห่งหนึ่งใกล้ๆนครราชครื้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตราบใดที่ท่านยังมั่นประชุมกันยังประพฤติผูกตรงตามคำสอนที่เรากล่าวไว้นั้นด้วยความสามาคัคคีไม่เปลี่ยนแปลงบัญญัติข้อกฎ อันขัดกันขึ้นมาใหม่นั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใสของประชาชนอยู่ตราบนั้นคณะสงฆ์จากรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นปลอดภัยจากความตกต่ำจะไม่มีความเสื่อมโทรมและสาบสูญพวกท่านทั้งหลายจงนอบน้อมยินดีเอาใจใส่ในคำแนะนำตักเตือนของพระเถระผู้เท่าในสงฆ์ จงระมัดระวังตนไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวจนตกอยู่ในอำนาจของความชั่วแล้วจึงรู้สึกตัวเมื่อภายหลังจงสแสวงหาความวิเวกเป็นส่วนตัวอย่าคลุกคลีกันเป็นหมู่จงเอาใจใส่ต้อนรับภิกษุผู้มาจากที่อื่นให้สำเร็จประโยชน์ตามที่เขาประสงค์เมื่อภิกษุรูปใดเจ็บป่วยลง ให้ภิกษุนอกนั้นเอาใจใส่ช่วยรักษาผู้ใดพยาบาลภิกษุไข้ก็เท่ากับผู้นั้นพยาบาลเราอย่าเป็ น, ปนคนอวดดีเย่อหยิ่งเพ้อเจ้อลืมตัวจงคบหาสมาคมแต่กับคนดีห<ด>ลีกห่างจากคนชั่วจงหมั่นพิจารณาให้เห็นแจ้งอยู่เป็นนิดในความจริงว่าสิ่งทั้งหลาย ไม่มีความยั่งยืนและเป็นทางให้เกิดทุกข์แกบุคคลที่เข้าไปยึดถืออย่างจริงจังและให้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีแก่นสารว่างเปล่าจากตัวตนหลังจากนี้แล้วพระองค์ได้เสด็จต่อไปยังหมู่บ้านนาลันทาและเสด็จต่อไปยังหมู่บ้านปาตาลีคามณที่นั้นได้ตรัสพระธรรมเทศนาแก่พวกชาวบ้านว่า หากท่านทั้งหลายไม่ใส่ใจประพฤติตามบทบัญญัติแห่งกุศลกรรมมบทที่เราแนะนำไว้ให้อย่างเคร่งครัดจักเป็นคนหน้ารังเกียจเสื่อมเสียชื่อเสียงในหมู่เพื่อนมนุษย์ความผาสุกจะค่อยลดน้อยลงจนหมดสิ้นในที่สุดจักไม่แน่วแน่มั่นคงจักวันไหวไม่เป็นสุขและเมื่อตาย เขาจักตายด้วยความเศร้าและความทุกข์ทรมานแต่หากบุคคลใดปฏิบัติตามกุศลกรรมบทนี้อย่างเคร่งครัดไม่ประมาทเผรอเขาจักมีผู้นิยมนับถือยอมรับเข้าในสังคมทุกชั้นปราศจากความกระวนกระวายลังเลหรือห่วงกังวลสิ่งใดจา ก, กล้าหาญในความตาย บัดนี้พระพุทธองค์มีพระชนมายุ80ปีทรงลุถึงความชราภาพแล้วทรงเสด็จโดยพระบาทปราศจากยานพาหนะใดๆขึ้นลงตามแควนใหญ่น้อยต่างๆแห่งประเทศอินเดียในสมัยนั้นแม้ในฤดูฝนก็ทรงประทับสั่งสอนประจำที่ไม่เว้นแต่ละวันตลอดเวลา45ปีของพระองค์ระยะนี้ พระองค์รู้สึกถอยพระกำลังทางพระกายลงมากแม้ว่ากำลังในทางจิตจะยังเข้มแข็งอยู่ดังเดิมทรงรู้สึกว่าชีวิตของพระองค์จะไม่ตั้งอยู่นานต่อไปแล้วจึงตั้งพระไทยเสด็จไปทางทิศเหนือแถบเชิงเขาหิมาลัยซึ่งทรงคุ้นเคยดีแต่วัยหนุ่มบัดนี้พระองค์อยู่ในสภาพที่อ่อนลา้าได้เสด็จออกนครราชครืด้วยพระบาท ตรงไปยังนครเล็กๆชื่อว่านคร ก, กุสินาราเพื่อพระประสงค์จะเสด็จปริณิพานที่นั่นในระหว่างทางพระองค์ได้เสด็จผ่านเมืองปาตลีบุตรซึ่งบัดนี้เรียกว่าเมืองปัตตนะและเสด็จต่อไปทางทิศเหนือผ่านนครเวสาลีอันเป็นสถานที่พระองค์เคยประทับมาแล้วทรงรับวิหารแห่งหนึ่งซึ่งหญิงคณิกา ชื่ออัมพปาลีเป็นผู้ถวายโดยการแข่งขันแย่งชิงกันกระทำถวายทานในระหว่างหญิงคณิกาผู้นี้กับบรรดาเจ้าชายแห่งนคร น, นั้นเมื่อพระองค์เสด็จถึงหมู่บ้านเวลุคามทรงรับสั่งอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายแยกย้ายกันจำพรรษาตามความพอใจส่วนพระองค์เองทรงตั้งพระไทยจำพรรษาณ ห, หมู่บ้านนั้นพร้อมทั้งพระอนุน์แต่พอออกพรรษาได้ไม่นานพระองค์ก็ทรงประชวนหนัก แก็ทรงประสงค์จะพบภิกษุทั้งหลายเพื่อสนับสนุนให้บากบันในการประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงสุดอีกครั้งหนึ่งก่อนจึงได้เสด็จออกจากหมู่บ้านเวรุคามนั้นด้วยความอดกลั้นอดทนต่อทุกขเวทนาอันเนื่องจากการประชวนอย่างสุดกำลังในขณะที่ทรงเสด็จดำเนินนั้นในช่วงระยะหนึ่งที่ทรงทุเลาจากความเจ็บไข้ทรงประทับนั่งอยู่ณนเะงาพระวิหารแห่งหนึ่งในเวลาเที่ยงวัน บนอาสนะซึ่งพระอนนลจัดถวายพระอนุลได้กราบูนพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์มีความยินดีอย่างสูงสุดที่ได้เห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับทรงสบายขึ้นจิตใจของข้าพระองค์มืดมัวแทบจะสิ้นสติไปเมื่อได้เห็นพระองค์ประชวรหนักในครั้งนี้แต่ก็ยังคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะยังไม่เสด็จปรินิพาน จนกว่าจะตรัสแนะนำสั่งสอนอันถึงที่สุดแก่พระภิกษุสงฆ์เสียก่อนเพื่อภิกษุทั้งหลายจะได้ถือปฏิบัติกันหลังจากพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนอานนภิกษุยังจะหวังอะไรจากเราอีกเล่าธรรมวินัยซึ่งพาให้บรรลุถึงนิพพานนั้นเราได้นาบอกมาสอนด้วยความหวังดี และบริสุทธิ์ใจแก่ภิกษุทั้งหลายครบท่วนทุกข้อแล้วเราไม่ได้ปกปิดซ่อนเร้นข้อใดไปเลยในทางที่จะช่วยให้ทาที่สุดแห่งทุกได้ดูก่อนอา น, นุผู้ที่ต้องการปกครองหมู่สงควบคุมไว้ในอำนาจตลอดไปอาจวางกฎบังคับไว้เพื่อการปกครองในอนาคตส่วนเราไม่ประสงค์ตลอดการเช่นนั้นเลย เราจึงไม่วางกฎอะไรไว้สำหรับควบคุมคณะสงฆ์ในอนาคตสงฆ์ต้องควบคุมกันเองบัดนี้เราเป็นคนชาราและถอยกําลังแล้วการเวลาเราจวนจะถึงที่สุดแล้วเรามีอายุ80สิบปีแล้วยังมีอยู่เพียงอย่างเดียวที่จะกล่าวดูก่อนอา น, นุนเมื่อเราล่วงลับไปแล้ว ภิกษุรูปใดทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองไม่ถือเอาผู้อื่นและสิ่งอื่นเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นสาวกที่แท้จริงของเราในวันรุ่งขึ้นทรงรู้สึกสบายจนสามารถเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองได้และในตอนเย็นรับสั่งให้พระอ น, นุลเรียกประชุมภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในนครเวสาลีนั้น มาฟังพระดำรัสของพระองค์โดยพร้อมกันเป็นการแสดงความหวังครั้งสุดท้ายของบุคคลที่จะจากไปทรงตรัสถ้อยคำที่เป็นการกระตุ้นเตือนอย่างที่สุดพร่มเตือนให้ประพฤติปฏิบัติให้เคร่งครัดให้ถูกต้องเพื่อเกื้อกูลแก่ชาวโลกที่หวังจะตามอย่างในการประพฤติพรหมจรรย์อันสมบูรณ์และบริสุทธิ์ทรงตรัสว่าทุกอย่างในวิสัยโลกย่อมเปลี่ยนแปลงเรื่อยไป ไม่ตั้งอยู่นานจงเฝ้าระวังจิตตัวเองให้เดินไปในทางถูกก็จะรอดพ้นจากความเวียนเกิดเวียนตายและความทุกข์ทั้งปวงวันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จต่อไปยังละครกุสินาราในระหว่างทางที่หมู่บ้านปาวาทรงรับนิมนต์ของนายจุนทะบุตรชายช่างทองซึ่งได้ประกอบอาหารอันปรุงด้วยเห็ดชนิดหนึ่งซึ่งหมูป่า ชอบกินเรียกว่าสุกระมัทวะซึ่งคำคำนั้นแปลว่าของชอบของหมูหลังจากเสวยอาหารนี้แล้วพระโรคเก่าก็กำเริบขึ้นอีกและแรงกล้ายิ่งขึ้นกว่าเดิมจนแทบเหลือกำลังที่จะอดทนอดกลั้นได้แต่ก็ยังคงเสด็จต่อไปเพื่อมุ่งสู่เมืองกุศินาราด้วยความยากลำบากจนลุถึงป่าไม้สาระนอกเขตพระนคร อันเป็นที่เที่ยวเล่นของบรรดากษัตัตย์แห่งกุศินารานั้นพระองค์รู้สึกว่าไม่สามารถจะทรงดำเนินต่อไปได้อีกแล้วแต่ตรัสแก่พระอ น, นุ์ว่าดูก่อนอ น, นุ์จงเตรียมที่สำหรับเราได้นอนพักระหว่างต้นสาละนี้เถิดเราอ่อนเพลียมากนักพระอ น, นุ์ได้พับผ้าสังาติของพระพุทธองค์เข้าเป็นสี่ชั้นแล้วปูลาดลงบนแผ่นดิน ในระหว่างสาระทั้งสองโดยจัดให้พันพระเสียนไปทางทิศเหนือพระองค์ทรงเอนกายลงบรรทมเพื่อพักผ่อนบรรเทาความไข้และความเมื่อยล้าเท่านั้นมิได้บรรทมหลับพระอาทัยยังคงสงบแน่วแน่ปราศจากความกระสับกระส่ายแต่ประการใดดังที่เคยตรัสแก่พระสารีบุตรเมื่อนานมาแล้วว่า แม้พระองค์จะแก่ชาราถึงขนาดต้องใช้แคร่หามไปก็ตามพระหัทถ์ของพระองค์ก็ยังคงสงบแจ่มใสสามารถอธิบายธรรมที่ลึกซึง้งและตอบปัญหาที่นักปราชญ์ฉลาดถามได้ทุกข้อตลอดเวลาที่เขาอยากจะถามความอ่อนเพลียเจ็บไข้าทางร่างกายมิได้ทาให้พระหัตถ์ของพระองค์มืดมัวอ่อนเพลียไปด้วยเลย บัดนี้พระอนตน์ได้รู้แน่ว่าพระพุทธองค์กำลังจะจากท่านไปก็มีความโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งจนไม่สามารถจะอดกลั้นได้ต้องหลีกไปซ่อนตัวร้องไห้ยอยู่นาที่หนึ่งรำพันด้วยน้ำตานองหน้าว่าเรายังไม่บรรลุความเป็นพระอรหันต์ดังเช่นภิกษุทั้งหลายบัดนี้พระาศาสดาผู้มีเมตตาต่อเรากำลังจะล่วงลับไป เราจะอยู่แต่ผู้เดียวโดยปราศ จ, จากพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงลืมพระเนตรขึ้นไม่เห็นพระอนุล์อยู่ที่ตรงนั้นเช่นเคยก็ตรัสถามถึงภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอนุลต์ได้หลบไปร้องไห้อยู่ณที่แห่งหนึ่งรำพันอยู่ว่าท่านยังเป็นผู้ต้องศึกษายังไม่บรรลุธรรมอันสูงสุดและพระศาสดาผู้ทรงมีพระเมตตา ก็กำลังจะล่วงลับไปทรงตรัสให้ไปตามพระอนนต์มาเฝ้าและเมื่อท่านเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆอย่างใกล้ชิดทรงรับสั่งปลอบว่าพอกันทีเถิดอ น, นุ์อย่าเศร้าโศกร้องไห้เลยเราได้บอกแก่อนตน์หลายครั้งหลายหนแล้วมิใช่หรือว่าไม่ว่าผู้ใดวันหนึ่ง จกต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจโดยไม่มีทางป้องกันได้มันจะเป็นไปได้อย่างไรในสิ่งที่เกิดแล้วจะไม่ดับไปดูก่อนอนน์เป็นเวลา น, านานมากแล้วที่อนน์เฝ้าอุปถัถากเราด้วยความรักความเต็มใจทั้งทางกายทางวาจาและทางจิต ด้วยความซื่อสัตย์เหลือที่จะเอาอะไรมาวัดได้ทรงตรัสเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนและในการต่อไปล้วนแต่มีอุปถากอันเลิศแต่ก็ไม่ยิ่งไปกว่าตอนที่อนนท์ได้เป็นแก่เราในการนี้อนนท์รู้จักการเวลาอันเหมาะสมสําหรับผู้มาหาเรา และปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นด้วยถ้อยคำและกิริยาอ่อนโยนยังความปราบปลื้มเป็นที่พอใจสูงสุดแก่เขาเหล่านั้นเสมออาน o น์ได้ทำมามากพอแล้วดูก่อนอาน o น์ต่อไปนี้จงตั้งหน้าทำลายสิ่งซึ่งกีดขวางต่อการบรรลุความเป็นพระอรหันต์ของตนเองเถิด ในเวลาไม่นานเลยอานนท์จักรลุถึงความสำเร็จนั้น<อ>พระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์อย่าได้เสด็จปรินิพานในเขตเมืองป่าเมืองดอนอันไม่สมควรนี่เลย นครใหญ่ๆเช่นกรุงราชครึกสาวสถีเวสาลีและอื่นๆ อ, อันสมควรแก่พระองค์นั้นยังมีอยู่อีกมากทั้งพระราชาและเศรษฐีตลอดจนผู้มีอำนาจวาสนาซึ่งล้วนเป็นสาวกของพระองค์เขาจะกรับภาระจัดพระสบของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สมพระเกียรติทรงตอบว่าอย่าเลยอานน อย่าได้กล่าวเช่นนั้นเลยเธออย่าพึงกล่าวว่าเมืองนี้เป็นเมืองป่าเมืองดอนในอดีตอันนานไกลเมืองนี้เป็นนครที่มั่งคั่งเป็นราชธานีที่ประทับของพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วดูก่อนอาห น, นุนเธอจงไปบอกข่าวแก่ผู้เป็นอธิบดี และประชาชนชาวเมืองกุสินาราว่าคืนนี้ในยามสุดท้ายแห่งราตรีณนะป่าแห่งนี้ตถาคตจะปรินิพานคนเหล่านั้นควรจะเข็นตถาคตเสียแต่บัดนี้ก่อนแต่ปรินิพานจะมาถึงพระอา น, นุ์ได้พาภิกษุบางรูปเดินทางเข้าไปในนครกุสินารา ได้บอกข่าวตามที่พระพุทธองค์ตรัสสั่งทุกประการซึ่งประชาชนเหล่านั้นพากันคร่ำครวญด้วยความเศร้าโศกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานเร็วเกินไปเสียแล้วดวงประทีปของโลกดับเร็วเกินไปเสียแล้วชาวเมืองกุสินาราทั้งหญิงชายและเด็กๆต่างโศกเศร้าคร่ำครวญ พากันออกมาสู่สวนไม้สาละซึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่เพื่อการเยี่ยมเยียนและกล่าวคําอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายต่อพระองค์ชาวนครกุสินาราคณะหนึ่งหนึ่งโดยผู้นําคนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทีละคนทีละคนโดยลําดับและกล่าวคําอาลัยในผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกคน ในขณะนั้นมีปริพาชกนักบวชผู้จาริกเป็นิษนามว่าสุพัทธะได้ทราบว่าพระพุทธองค์จะปรินิพพานในคืนนี้ก็รีบเดินทางมาขออนุญาตต่อพระอานนุ์เพื่อเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาซึ่งเขาเชื่อว่าพระพุทธองค์เท่านั้นที่จะแก้ปัญหาที่ข้างค้างในใจเขาให้กระจ่างได้ก่อนแต่ที่พระพุทธองค์จะเสด็จปรินิพพาน พระอานุ์ได้ขอร้องว่าอย่าเลยสุพัทธะอย่าเลยเพราะผู้มีพระภาคเจ้ากําลังทรงอิจโรยอย่างยิ่งขออย่าได้รบกวนพระองค์ด้วยการถามปัญหาในขณะที่ทรงประชวนหนักนี้เลยแต่นักบวชสุพัทธะมีความร้อนใจมากได้รบเปลาแล้วรบเร้าอีกโดยไม่ยอมฟังคําปฏิเสธของพระอานนุ์จนพระพุทธองค์ ทรงสดับเสียงและทราบถึงความประสงค์นั้นทรงตรัสว่าดูก่อนอานนนเธออย่าห้ามกันสุพัทธะไว้เลยจงปล่อยให้เขาได้พบเราตามปรารถนาเขาไม่ได้รบกวนเราโดยไร้ประโยชน์ข้อที่เขาจะถามเรานั้นจักเป็นความดีแก่การศึกษาในธรรมวินัยของเราด้วย เมื่อนักบวชสุพัท ธ, ธ์ได้เข้าเฝ้าแล้วได้ทูลถามปัญหาพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระโคโดมสมณพราหมณ์เจ้าหมู่คณะที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนั้นมีใครบรรลุธรรมจริงสมดังคําอ้างบ้างนอกจากพระองค์พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าอย่าเลยสุพัท ธ, ธ์อย่าเสียเวลาคิดค้นปัญหาข้อนี้อยู่เลย แต่จงสนใจในคำที่เราจะกล่าวถึงธรรมะของเราให้เข้าใจในบัรนี้เถิดดูก่อนสุพัทธะในธรรมวินัยของศาสดาองค์ใดถ้าไม่ประกอบด้วยธรรมอันเป็นเครื่องดำเนินไปอย่างถูกต้องแปดประการธรรมวินัยนั้นย่อมไม่มีบุคคลผู้เป็นโสดาบันสกิทาคามี อนาคามีหรืออรหันตูก่อนสุพัทธะธรรมวินนยของเรานี้ประกอบอยู่ได้ธรรมเป็นเครื่องดำเนินไปอย่างถูกต้องแปดประการดังกล่าวนั้นจึงมีบุคคลผู้เป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและอรหันตูก่อนสุพัทธะหากภิกษุสาวกของเรา ยังคงปฏิบัติในธรรมเป็นเครื่องดำเนินไปอย่างผูกต้องแปดประการนี้เพียงใดแล้วโลกนี้ก็จกไม่ว่างพระอรหันต์นักบวชสุพัททะได้ทูลขอพุทธานุญาตบวชเป็นภิกษุในธรรมวินัยของพระองค์ซึ่งก็ทรงประทานโอกาสตรัสสั่งให้พระอ น, นุนทำการอุปสมบทให้แก่เขาโดยเหตุนี้สุพัททะ จึงเป็นภิกษุผู้บวชเป็นองค์สุดท้ายที่ได้รับการอุปสมบทในที่เฉพาะพระพักของพระองค์สุพัทธะผู้บวชแล้วได้พยายามภาคเพียรในธรรมวินัยอย่างแรงกล้าจนกระทั่งบรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้ในเวลาไม่นานเลยพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนุ์ต่อไปอีกว่าดูก่อนอา น, นุ์อาจมีภิกษุบางรูปคิดว่า ต่อไปนี้จะไม่ได้ฟังธรรมของพระศ า, าสดาอีกต่อไปแล้วเราเป็นผู้ไม่มีพระศาสดาอีกแล้วดูก่อนอานนุนภิกษุเหล่านั้นไม่ควรคิดเห็นอย่างนั้นเลยก็ธรรมะและวินัยข้อใดที่เราบัญญัติไว้เพื่อภิกษุประพฤติปฏิบัติในการนี้ธรรมะและวินัยเหล่านั้นแหละ จักอยู่เป็นองค์พระศ า, าสดาของภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งมเมื่อเราล่วงลับไปแล้วภิกษุผู้สูงอายุกว่าก็พึงทักทายผู้ยอนอายุกว่าว่าอาวุโสไปตามเดิมแต่ภิกษุผู้ยอนอายุกว่าพึงทักทายภิกษุผู้สูงอายุด้วยคําว่าพันเต ดูก่ อ, นอา น, นุนเมื่อเราล่วงลับไปแล้วถ้าคณะสงฆ์มีความปรารถนาเลิกถอนข้อบัญญัติเล็กๆน้อยๆก็พึงถอนได้ตามสมควรแก่เหตุการณ์พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากภิกษุรูปใดมีข้อสงสัย ข้องใจหรือกินแหนงแคลงใจในตถาคตก็ดีในธรรมวินัยที่เรากล่าวแล้วก็ดีหรือในหมู่สงนี้ก็ดีหรือในความผิดความถูกแห่งหนทางปฏิบัติก็ดีจงได้กล่าวความสงสัยหรือความกินแหนงนั้นออกมาเสียในบัดนี้เถิดเพื่อเธอทั้งหลายจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังว่า เราไม่มีโอกาสถามพระศาสดาเมื่อยังมีชีวิตอยู่พระพุทธองค์ได้ประทานโอกาสดังนี้ถึงสามครั้งแต่ก็ไม่มีภิกษุรูปใดกล่าวถ้อยคำใดๆเช่นเดียวกันพระอนุ์ได้กล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องนี้น่าประหลาดเรื่องนี้น่าอัศ จ, จริงข้าพระองค์ เชื่อแล้วอย่างแน่แท้ว่าในหมู่ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่นี้ไม่มีภิกษุแม้แต่รูปเดียวที่สงสัยแคลงใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนอานนท์สำหรับเธอที่กล่าวข้อความนี้เพราะเธอเชื่อและไว้ใจในเราแต่สำหรับเราตถาคตนั้นรู้ดีว่า ไม่มีภิกษุแม้แต่รูปเดียวที่มีความกินแหนงแคลงใจข้อนี้เป็นเพราะเหตุที่เห็นได้ว่าแม้ว่าภิกษุรูปนี้มีคุณธรรมล้าหลังเขาที่สุดในที่ประชุมนี้ภิกษุรูปนี้ก็ยังเป็นโสดาบันผู้เที่ยงแท้ต่อการลุถึงนิพพานอันไม่ถอยกลับเป็นธรรมดา ทรงตรัสปราศัยแก่พระภิกษุที่ประชุมนั้นอีกครั้งหนึ่งเป็นพระดำรัตครั้งสุดท้ายแก่มนุษย์ในโลกนี้พระองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นวาจาครั้งสุดท้ายที่เราจะกล่าวแก่ท่า น, ท, นทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความสิ้น และเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความรอดคนให้บริบูรณ์ถึงที่สุดด้วยความไม่ประมาเทเถิดจากนั้นพระพุทธองค์ทรงเข้าสู่สมาบัติและเลื่อนเข้าสู่ชั้นลึกยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปตามลำดับจนถึงที่สุดแห่งอันดับที่9ก้าแล้วทรงถอยหลังจากสมาบัติอันลึกนั้นมาตามลาดับ จนออกจากสมาบัตชั่วขณะหนึ่งแล้วทรงกลับเข้าสู่สมาบัตอย่างเดิมอีกเพียงสี่ลำดับครั้นออกจากสมาบัตลำดับที่สนั้นแล้วก็เสด็จดับขันไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่สำหรับเกิดขึ้นในโลกนี้หรือโลกไหนอีกต่อไปพระพุทธองค์ได้เสด็จปรินิพานด้วยอาการอย่างนี้ เวลาล่วงมาถึง25ศตวรรษแล้วนับแต่พระสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเสด็จปรินิพานที่นอกเมืองกุสินาราในประเทศอินเดียแต่คำสอนอันประเสริฐของพระองค์หาได้ล่วงลับไปด้วยไม่คำสั่งสอนเหล่านั้นยังคงอยู่เป็นเครื่องนำบุคคลให้ข้ามพ้นจากความมีชีวิต ขึ้นไปสู่สิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิตสำหรับคนจำนวนล้านล้านในโลกนี้หลังจากพระพุทธองค์เสด็จปรินิพานแล้วสาวกของพระองค์ทั้งที่เป็นพระอรหันต์และมีช่พระอรหันต์ได้ช่วยกันเผยแผ่กระแสรพระพุทธวจนะอันประเสริฐนั้นไปจนพั่วประเทศอินเดียและล่วงเลยออกนอกเขตประเทศอินเดียทางทิศตะวันตก จนกระทั่งถึงประเทศอียิปต์ทางทิศตะวันออกถึงที่เบตจีนและญี่ปุ่นทางทิศเหนือจนถึงประเทศเล็บแลนทางขั้วโลกก็ยังมีพระสาวกนำคำสอนของพระองค์ไปเผยแพร่และทางทิศใต้ถึงประเทศชวาและหมูกก่เกาะในทะเลใต้ทั่วทั่วไปจนกระทั่งทุกวันนี้ เป็นเวลาสอง0หร้กว่าปีมาแล้วหนึ่งในสามของมนุษย์ที่อาศัยในโลกได้เอ่ยพระนามของพระองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดว่าพระองค์เป็นพระอาหารหันต์พระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระาศาสดาผู้สั่งสอนเทวดาและมนุษย์ด้วยเรื่องแห่งพระนิพพานและหนทางปฏิบัติเพื่อลุถึงนิพพานนั้น บุกลาทิ้คข้ามเขดกตจัดจสนองโปรดทวยเทน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 一个啦耶。Yeah.